ได้ไปเยี่ยมผู้ป่วย เ, เธอกำลังอยู่ในระยะท้ายนะวยโรคมะเร็งมะเร็งต่ำนี่มันก็ทำให้ร่างกายผายผอมแล้วก็ทำให้ตัวเหลืองอผิดรูปนะจากที่ เ, เคยเห็นนะหรือว่าเคยเป็น เ, เวลาไปเยี่ยมผู้ป่วย นะไม่ว่าจะด้วยโรคอะไรก็ตามเนี่ยการวางใจของเราเป็นสิ่งสาคัญเราจะวางใจอย่างไรนะี่เป็นประโยชน์ทั้งกับตัวเราเองแล้วก็กับผู้ป่วยอย่างหนึ่งที่นะเราน่าจะมีนะก็คือมองว่าผู้ป่วยเหล่านั้นเป็นครูของเราไม่ว่าเขาจะมีอายุน้อยกว่าเรา เรียนน้อยกว่าเราหรือว่าอาจจะเป็นคนห่างไกลแม้เป็นคารวาสนี้ก็สามารถจะเป็นครูให้กับเรานะซึ่งเป็นพระหรือนักบวชได้การที่เรามองเข้าเป็นครูเนี่ยก็จะทำให้เราได้เรียนรู้นะจากผู้ปว่วยมีอะไรให้เรียนรู้ได้เยอะเลยนะโดยเพราะนะ การที่เราได้เห็นความจริงนะว่าสังขารไม่เที่ยงร่างกายที่ผิดรูปนะอันนี้มันก็แสดงหเห็นถึงความเป็นอนิจจงนะแล้วหากว่าหมดลมเมื่อไรเนะี่ยมันก็ยิ่งให้เห็นนะถึงความไม่เที่ยงของชีวิตมันสอนให้เราเห็นนะทุกขังนะที่มันอยู่ประจำนะสังขารนี้ ทุกครังเนี่ยหรือว่าความทุกเนี่ยมันก็อยู่ประจําตัวเราเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แสดงออกแต่ที่จริงเนี่ยถ้าสังเกตเนี่ยมันก็แสดงออกอยู่ตลอดเวลานะเป็นระยะระยะเป็นพักๆเช่นเวลาเรานั่งเนี่ย น, ะนั่งในท่าใดก็ตามเนี่ยพอนั่งไปสักพักมันจะเริ่มเมื่อยอันนี้เรียก ว, ว่าทุกแล้วนะ ความปวดความเมื่อยซึ่งมันบังคับให้เราต้องขยับพอขยับเนี่ยเปลี่ยนท่าก็อันนี้ก็อันนิจจังแล้วทุกครั้งมันก็ขับเคลื่อนให้เกิดอันนิจจังแล้วถ้าเราไม่ขยับนะยังคงท่าเดิมมันก็จะยิ่งทุกข์มากขึ้นปวดมากขึ้นละเอียดก็น่าคือลมหายใจเนี่ยเราหายใจเข้านะะถ้าเราไม่หายใจออกมอันจะอึดอัดมากเลย ความอึดอัดมันก็บงังคับให้เราต้องหายใจออกหรือเราหายใจออกแล้วเราไม่หายใจเข้าก็อึดอัดเป็นทุกข์อ่าละเอียดไปก็ได้ก็คือกระพริบตาเนี่ยเราเปิดตาลืมตาถ้าเราไม่กระพริบตามันจะเมื่อยตาจะฝืนยังไงก็ตามในสื่อก็จะตามมาด้วยความปวดทำให้เราต้องกระพริบตา ดูมตาแล้วก็บพิบตาอันนี้ก็อันนี้จังนะซึ่งมันก็เกิดจากทุกขังก็คือความเมื่อยเพียงแต่ในชีวิตประจำวันเราไม่รอให้เมื่อยนะเราก็กระพริบเลยหายใจก็เหมือนกันเราก็ไม่รอให้อึดอัดนะหายใจเข้าปุ๊บเราก็หายใจออกเลยบางทีนั่งเนี่ยเรานั่งพอเมื่อสักนิดหน่อยนี่ก็ขยับแล้วบางทีทาโดยไม่รู้ตัวการขยับก็ทาให ความทุกข์หายไปก็เลยสังเกตไม่ชัดคนก็เลยไปคิดว่าโอ้ล่างกายที่มันสุกนะสุกหนอสุกหนอเพราะว่าเราเปลี่ยนอิรลียบทตลอดเวลาก็เลยไม่สังเกตถึงความทุกข์ทั้งที่ความทุกข์นั่นแหละนะั้นเป็นตัวบังคับให้เราต้องเปลี่ยนอิเลียบทอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะว่าเนี่ยสังขารเป็นทุกข์แต่ว่ามันจะไม่แสดงตัวชัดจนกระทั่งล้มป่วย นันมันก็แสงเห็นหนึงอนัตตาด้วยว่าร่างกายไม่ใช่ของเราที่เคยนั่งได้ก็เริ่มนั่งไม่ถนัดบางคนก็รู้สึกการขยืนขยับแขนขยับขามันยากเหลือเกินยิ่งพิการหรืออามาพึ่อัมาพาตนี่ก็ยิ่งเห็นชัดเลยมือที่ขยืนได้ขยับได้มันไม่อยู่ในอำนาจของเราซะแล้ว ที่เคยอั้นปัสสาวะนะอั้นอุจจาระนี่บางทีมันก็ออกมาเองโดยไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวคนที่ไม่เข้าใจความจริงอันนี้เนี่ยก็จะรู้สึกเป็นทุกข์อึดอัดขัดเคืองหรือบางทีเขาสึกอับอายอุจจาระปัสสาวะมาเมล็ดไหลามาเนี่ยบางคนเขาสึกอับอายหรือไม่ต้องถึงขั้นนั้นก็ได้เพียงแค่ว่า เอามาพึ่เอามาพาดเคลื่องขยับไม่ได้ร่างกายพ่ายผอมผมร่วงก็อับอายแล้วอันนี้เพราะเขาไม่ได้เห็นนะเราก็ไม่ได้ยอมรับความจริงนะว่าร่างกายเนี่ยมันมันไม่จีรังมันเป็นทุกข์แล้วก็มันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งที่เราจะบังคับบัญชาได้เวลาไปเยมผู้ป่วยเนี่ยนะให้ลองมองแบบนี้บ้างว่า เ, เออเขากำลังสอนทําให้กับเราแล่งถ้าเป็นผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยนะ ก็เป็นการเตือนให้เราเห็นนะถึงความตายที่ลอยอยู่ข้างหน้าไม่ใช่ของเขานะแต่ของเร า, เาไปเยี่ยมผู้ป่วยเนี่ยลองมองด้วยท่าทีแบบนี้ว่าเขาเป็นครูเราบางคนเนี่ยจะกลัวนะจะขัดขืนต่อต้านนะไม่ยอมไปไม่อยากจะเห็นไม่อยากจะดูอันนี้นว่าเสียโอกาสมากเพราะว่า สิ่งที่เราเห็นนะจากผู้ป่วยเนี่ยมันก็คือตัวเราในวันข้างหน้านี่ถ้าเราเห็นแล้วเนี่ยนะแม้ว่าในช่วงแรกๆเราจะรู้สึกกดหูรู้สึกเป็นทุกข์นะแต่ว่าถ้าเรามองให้เป็นเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เราอยู่ในความไม่ประมาทถามตัวเราเองว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเมื่อเราต้องมาเป็นผู้ป่วยอย่างนี้เนี่ย นะไม่ต้องถึงขั้นระยะท้ายก็ได้นะเอาแค่ผู้ป่วยที่นะป่วยหนักนะยังอยู่ในวิสัยที่จะเยียวยาได้ผู้ป่วยระยะท้ายนี่หมายถึงว่าป่วยในโรคร้ายซึ่งรักษาไม่ได้แล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตนะช่วงที่ไม่ว่าจะรักษาอย่างไรมันก็ไม่ตอบสนองต่อการรักษาอันนี้เ ร, รียกระยะท้ายแต่ความเจ็บป่วยระยะามันแค่เจ็บป่วยหนักนะแต่ว่ายังเยียวยาได้ ่เช่นบางทีเป็นมาเอ่อม า, าลาเรียปอดปวมเนี่ยไข้เลือดออกสุดหนักแต่ว่าอ่รักษาได้ถ้ามาทันเวลาถ้าถามตัวเลยว่าเออถ้าเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราเราพร้อมไหมเราทำใจได้หรือเปล่าอย่าไปคิดแต่เรื่องการเตรียมเงินเตรียมทองเพื่อรักษาอันนั้นก็สำคัญ สมัยนี้ก็สะดวกมากขึ้นเพราะว่ามันมีประกันสังคมมันมีบัตรทองมีโครงการนะแต่ก่อนเรียกว่า30บาทรักษาทุโกโรคอันนั้นก็เป็นเงินช่วยบรรเทานะภาระด้านการเงินหรือว่าถ้าเรามีเงินมีทองก็ทำให้เราสบายใจได้ว่าเออมีประกันจะดูแลแต่นั่นเป็นแค่ครึ่งหนึ่งหรือว่าเป็นเซี่ยวหนึ่งนะของการเตรียมตัว ที่สำคัญก็นั้นคือการเตรียมใจว่าเราพร้อมไหมบางคนนี่ตีโพยตีภายแกรดกลุ่มกระวนกระวายซึ่งกลายเป็นการซ้ำเติมตัวเองเป่วยกายไม่พอยังป่วยใจซะอีกเวลาจะป่วยเนี่ยถ้าเราไม่ไม่ไม่ระวังตัวนะมันจะป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจ คนเนี่ยไม่ค่อยสังเกตรหรอกนะว่าคิดแต่ว่าป่วยกายนะั่นแต่มองไม่เห็นว่าใจมันก็ป่วยด้วยแล้วความป่วยใจนี่แหละนิดที่ทำให้มันยิ้มไม่ออกนะไม่ใช่เพราะโรคมีผู้ป่วยมะเร็งคนหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วแต่เธอพูดว่าเนี่ยมะเร็งไม่ได้ทำให้รอยยิ้มของคุณหายไปนะไอ้ความทุกข์ใจต่างหากที่ทำ คนที่เป็นมะเร็งเนี่ยที่เขาไม่ทุกข์ใจเนี่ยเขาก็ยังยิ้มได้นะแต่ถ้ายิ้มไม่ได้นี่สแสดงว่าไม่ใช่เพราะมะเร็งหรอกแต่ไม่เนเพราะความทุกข์ใจเนะีที่ทุกข์ใจส่วนหนึ่งก็เพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวหรือเตรียมใจไว้เลยก็ทำให้ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้นะแต่ถ้าเราไปเยี่ยมผู้ป่วยแล้วเราก็ถือว่าเขาเป็นครูนะเราก็ไปเรียนรู้จากเขาเ่าเขามาสอนให้เราเห็น นะถึงสิ่งที่พระเจ้าเรียกว่าอนาคตภัยนะอนาคตภัยก็คือเนี่ยความแกนะ่ความเจ็บป่วยแ้หรือความตายด้วยเนะขามาสอนเขามาเตือนจะมองว่าเขาเป็นครูก็ได้หรือจะมองเขาเป็นเทวทูตก็ได้เทวดาทูตเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นเทวดาที่ สแสดงนี้มิเทลอยเห็นนะอย่าไปคิดแบบนั้นเทวทูตเนี่ยก็คือคนธรรมดาสามัญ น, นี่แหละที่เจ็บป่วยที่แก่อยู่ที่ตายอย่างที่เจ้าชายสิทธัตถะได้เห็นเมื่อได้ออกจากประสาทนะกับชนะก็ได้เห็นเทวทูตสามนคนแก่คนเจ็บคนตาย ส่วนนักบวชนี่ไม่เรียกว่าเทวทูตนะ น, นักบวชเขาเรียกว่าเป็นนิมิตนะเทวทูตนิมิต4น่นะเทวทูตนี่มันแสดงตัวให้เราเห็นตลอดเวลาในศาลานี้ก็มีเทวทูตอยู่เยอะนะก็คือคนที่เตือนให้เราเห็นถึงความไม่เที่ยงของสังขารเช่นความเจ็บความป่วยความแก่ชาราคนตายก็เป็นเทวทูตคนที่ทำผิด ผิดกฎหมายผิดศีลแล้วก็ถูกลงโทษติดคุกติดตลอดนี้ก็พูทเจ้าก็เรียกว่าเป็นเทวทูตนะเรียกว่าเทวทูตไม่ใช่ว่าเทวทูตเนี่ยจะหมายถึงคนดีเสมอไปนะคนไม่ดีก็เป็นเทวทูตจําเอาไว้นะเวลาเกิดไปเจอพญายมราชเนี่ยพญายมเนี่ยหรือยมพบาทเนี่ยถามว่า เคยเจอเทวทูตไหมก็จะตอบได้นะอันนี้ในพระเตวิดกมีนะมีคนชั่วเนี่ยตายแล้วนะไปเจอยมพบาลยมพบาลถามว่าเคยเจอเทวทูตไหมไอ้ mm. ชายคนนี้ก็ทําหน้าง ง, งนะโยมพบาลก็เลยเฉลยว่าเนี่ยคนแก่เยเคยเห็นไหมเห็นนะคนเจ็บคนป่วยเคยเห็นไหมเห็นนะคนชาราเนี่ยเคยเห็นไหมเห็นคนที่ติดคุกเพราะทําชั่วผิดศีล ผิดกฎหมายเคยเห็นไหมเห็นคนตายเคยเห็นไหมเห็นนั่นแหละคือเทวดทูตเจ้าเห็นแล้วเนี่ยก็ยังไม่เคยไม่ตระหนักว่าเออสักวันหนึ่งเราต้องแก่สักวันหนึ่งเราต้องป่วยสักวันหนึ่งเราต้องสักวันหนึ่งเราต้องแก่ชราเพราะฉะนั้นต้องเล่งทำความดเีเจ้านี่ไม่ได้มีความสำนึกในเรื่องนี้เลยเห็นคนติดคุกติดตารางเพราะทำชั่วก็ไม่เคยมีสานึกหรือว่า เกิดความสังวนระวังเห็นคนตายก็ไม่ได้เกิดความรู้สึกตื่นกลัวเร่งทำความดีเพราะฉะนั้นจะถูกลงโทษหนักนะเนี่ยผู้ชายคนนั้นก็เลยเจอเจอบทลงโทษอย่างหนักไปเลยลงนรกไปเลยคนไข้นี้ก็เป็นเทวทูตนะให้เราดงนั้นเมื่อเมื่อหากว่าต้องไปเยี่ยมนะก็อย่าไปปฏิเสธโอกาสนี้เดี๋ยวถึงแม้ ไม่มีรู้จักใครเลยเนี่ยไปเป็นจิตอาสาไปเยี่ยมคนไข้เนี่ยมันก็ช่วยได้นะคนไข้าบางคนก็ไม่ได้เป็นครูสอนเรื่องอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาหรือเตือนเราเรื่องอนัคต์กตภัยเท่านั้นนะมันทีเขาสอนให้เราเห็นว่าอะไรที่ควรทาอะไรที่ไม่ควรทําด้วยคนไข้าบางคนนี่ป่วยหนักนะแต่ว่าหน้าตายิ้มแย้มผ่องใสนะเขาสามารถจะทําใจให้เป็นปกติได้เพราะอะไรนะ ก็ไปเรียนรู้จักเขามงคลก็เพราะว่ายอมรับความจริงว่าคนเราก็ต้องแก่ต้องป่วยนะไม่มีใครที่ไม่เจ็บป่วยหลายคนก็รอดตัวอย่าต้องตายนะแต่ว่าก็ยอมรับได้ว่าคนเราต้องตายเพราะว่าได้เตรียมใจได้หมั่นเตือนตุลอยู่เสมอตั้งแต่ก่อนที่จะป่วยอย่างพวกเราเนี่ยนะมามาวัดนะถ้าเร า, เามาเปิดใจรับฟังนะเรื่อง าไม่เที่ยงเรื่องความตายเรารอมรับตั้งแต่เนิ่นๆแล้วก็เตือนใจเราเสมอสักวันหนึ่งเราก็ต้องแก่ต้องป่วยต้องตายนะถึงเวลาเจอเข้านะเออมันทำใจได้ถึงแม้จะเสียสูญไปสักพักแต่ว่าจะทำใจได้เร็วบางคนก็มีวิธีมองที่ที่ดีนะอย่างที่เคยเล่าเนี่ยเด็กอายุ14เป็นมะเร็งสมองผมร่วงหมด จิตอาสาไปเยี่ยมก็แปลกใจที่เธอยิ้มแย้มแจ่มใสชวนจิตอาสาวาดรูปคุยไปคุยมาเธอก็บอกว่าเนี่ยหนูโชคดีที่ไม่ได้เป็นมะเร็งมดลูกนะมีญากิคนหนึ่งเป็นมะเร็งมดลูกปวดมากเลยหนูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองจิตอาสานี่อึ้งเลยนะขนาดเป็นมะเร็งสมองยังบอกว่าโชคดีองนะเนี่ยเขาเป็นครูนะ เด็กอายุสิจิตอาสาอายุห้นะแต่ว่าได้เรียนรู้จากเด็กอายุ14แต่คนไข้าบางครก็ทุรนทุรายนะเพราะทำใจไม่ได้บางทีก็ตีโพยตีพายเพราะว่าทําไมอุตสาห์ทาบุญนะอุตสาหเป็นเจ้าภาพท่ากรถินท่าพระป่าทําบุญกุศลใส่บาตรเป็นประจําทําไมต้องมาเป็นแบบนี้นะ บางทีก็ต่อว่าว่าทาไมบุญไม่รักษาธรรมะไม่คุ้มครองบางคนก็ทุกข์เพราะห่วงห่วงลูกห่วงทรัพย์สมบัติอันนี้เราก็ได้เห็นนะเออเขาสอนเรานะว่ามันต้องรู้จักปล่อยวางนะถ้าปล่อยวางไม่เป็นหรือไม่รู้จักปล่อยนี่มันก็ทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจนะคนไข้เนี่ยเขาสอนเราได้ทุกอย่างเลย ทั้งในแง่ว่าอะไรควรทำและอะไรไม่ควรทำบางคนกนะ็สอนทำได้ดีมากนะเพราะเขาเห็นจากของจริงอย่างที่มีผู้ป่วยมะเร็งคนหนึ่งนะพูดนะอันนี้เคยเล่าให้ฟังแล้วนะเธอทีแรกก็ทำใจไม่ได้ที่เป็นมะเร็งทำไมความจริงมันโหดร้ายแบบนั้นตอนหลังพบว่าความจริงโหดร้ายก็จริงนะแต่ว่า ไอ้การไม่ยอมรับความจริงต่างหากที่โหดร้ายกว่าเพราะมันเปรียบเหมือนคุกนะที่ขังใจเราเอาไว้พูดดีมากนะความจริงโหดร้ายนะแต่การไม่ยอมรับความจริงนี่โหดร้ายกว่าเพราะมันเหมือนคุกนะที่ขังใจเราเอาไว้งั้นการยอมรับความจริงเนี่ยมันจะช่วยทำให้ใจนี่เป็นอิสระได้นะกายป่วยแต่ใจมันก็เป็นอิสระได้นะ เนี่ยควรหาโอกาสนะที่จะไปไปไปเรียนรู้จากครูเนี่ยนะซึ่งสามารถจะสอนทำมาให้กับเราได้นะเปิดตารับรู้นะสารที่เทวทูตเหล่านี้เขาได้บอกเรานอกจากการมองเขาเป็นครูเราแล้วเนี่ยนะหรือมองว่าเราเป็นเราเป็นนักเรียนที่จะไป เรียนรู้จักเขาแล้วเนี่ยถ่าเทียบหนึ่งที่จะช่วยได้มากและเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยคือไปเยี่ยมเขาในฐานะเพื่อนเพื่อนร่วมทุกข์คนป่วยเนี่ยเขาต้องการเพื่อนนะแต่หลายคนไปเยี่ยมเนี่ยไปเพื่อที่จะไปสอนนะยิ่งคนที่ปฏิบัติธรรมเยอะอ่านหนังสือมามากนะเวลาไปเยี่ยมคนป่วยเนี่ยก็จะ ตั้งท่าจะสอนอย่างเดียวเลยนะสอนให้ทําใจให้ปล่อยวางหรือสอนว่าเออชื่อมันเป็นอย่างนี้แหละอันทีจังทุกครั้งนตัตตาโดยที่ไม่ได้ดูเลยว่าผู้ป่วยเขาพร้อมนะใจเขาพร้อมหรือเปล่าขณะผู้เจ้าเนี่ยะเจอคนทุกบางคนเนี่ยอย่างเช่นนางกีสาวกตมีซึ่งกำลังอุ้มศพลูกมา เพื่อให้พระองค์ช่วยฟื้นปลุกให้ฟื้นเนี่ยพระองค์เห็นนะอาการของนางกีสาวโกตมีลักพระองค์ก็รู้เลยว่าสอนไม่ได้เพราะว่าใจเธอไม่รับแต่ที่จะสอนให้เห็นถึงว่าความตายเป็นธรรมดาความพัดพลาดเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นพระองค์กลับพูดว่าเนี่ยเราช่วยเธอได้ถ้าเธอหาเม็ดผักกาดจากบ้านที่ไม่มีคนตาย เนี่ยนี้น่ากินนะทำไมพง์มไม่สอนนะเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องความพัดพรากนะเพราะว่าพงศ์ฉลาดพอที่รู้ว่าสภาพจิตอย่างนางเนี่ยยังสอนไม่ได้แต่พอผู้ว่าให้ไปหาไม่ผักกาดที่บ้านที่ไม่มีคนตายนางก็ดีใจก็ไปหาไม่ผักกาดจากคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้ก็บอกมีไม่ผักกาดแต่ว่าพอถามว่ามีคนตายไม่ก็ได้คำตอบว่ามีคนตายทั้งนั้น พ่อตายแม่ตายลูกตายผัวตายเมียตายจีรน้อยจีลน้อยเธอก็เริ่มเห็นความจริงนลว่าความตายมันเกิดขึ้นกับทุกครอบครัวความพัดพลากเกิดขึ้นกับทุกคนเราไม่ได้สูญเสียคนเดียวคนืนหนึ่งเขาก็สูญเสียเหมือนกันก็ยอมรับได้ยอมรับความตายของลูกได้เอาศพลูกไปเผาที่ป่าช้า แล้วค่อยมาฝ้าผู้เจ้าตรงนี้ทีนี้แหละผู้เจ้าแสดงธรรมเลยนะว่าเนี่ยว่าน้ําป่าเนี่ยย่อมพัดพาผู้ที่หลับไหลฉันใดเนี่ยมรุตตโยก็พัดพาผู้ที่ติดในลูกในทรัพย์สมบัติในในคล่องติดคล่องติดในอารมณ์ชั้นนั้นพอผู้ เ, เนี้นางพิจารณาตามก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเลยอันทําไมผู้เจ้าไม่แสดงธรรมก่อนหน้า น, นั้นนะเพราะรู้ว่า นางยังไม่พร้อมจะรับฟังแต่พอทำใจได้ยอมรับได้ว่าลูกตายแล้วตอนนี้แหละใจนางเปิดแสดงทำไปนางก็รับรู้แล้วก็สามารถจะกลายเป็นพระย บ, บุคคลได้เรียกว่าทุกนี้สอนทำนะอันนี้เวลาไปเยี่ยมคนป่วยเนี่ยหลายคนก็ปรารถนาดีนะแต่คิดแต่จะสอนนะ เขาเคยมีการสอบถามคนป่วยระยะสุดท้ายว่าอะไรที่ไม่ชอบนะสองข้อที่ติดอันดับต้นๆก็คือหนึ่งไม่ชอบคำแนะนำสั่งสอนนะเช่นแม้กระทั่งคำว่าสู้นะเข้มแข็งนะคนไข้จะไม่ชอบเลยทำไมถึงไม่ชอบเวลาบอกว่าสู้นะเข้มแข็งนะเพราะมันมีนายะว่ามันมีนยานนยะเป็นเชิงตาหนิว่าเธอยังสู้ไม่พอนะ เธอยังอ่อนแอไม่เข้มแข็งนะผู้ป่วยแม้กระทั่งญาติผู้ป่วยหลายคนจะบอกว่าไม่ชอบเลยไอ้คำว่าสู้สู้นะมีคนก็ให้เหตุผลว่าเนี่ยเวลามีคนมาแนะนำว่าให้สู้สู้เนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันมันเป็นภาระนะมันเป็นภาระที่จะต้องทำตัวให้เข้มแข็งเพื่อให้คนอื่นได้สบายใจ มันเป็นเรื่องที่ยากมากนะสำหรับคนป่วยเนี่ยที่ต้องทำตัวให้เข้มแข็งและลึกๆมันการเป็นการกัดกร่อนบันทอนข้างในบาทีคนไข้เขาอยากจะแสดงความอ่อนแอนะก็ต้องให้เขาแสดงออกมาเพราะว่าการที่จะทำตัวเข้มแข็งมันเป็นเรื่องที่ต้องฝืนใจมากแล้วไม่ได้ทำเพื่อใครทำเพื่อให้คนอื่นเนี่ยสบายใจก็กลายเป็นว่าทาเพื่อคนเยี่ยมนะแทนที่คนเยี่ยมจะมาช่วย คนป่วยนะคนป่วยกับต้องมาช่วยคนเยี่ยมนะซึ่งเขาเองก็แย่อยู่แล้วยังต้องทำตัวให้เข้มแข็งแต่ถ้าเขาสามารถจะแสดงความอ่อนแอได้และเป็นที่ยอมรับของคนที่ดูแลคนมาเยี่ยมเนี่ยเขาจะสบายใจมากสิ่งที่คนไข้ต้องการเนี่ยคือความเข้าใจความรักเข้าใจนะว่าทำไมเนี่ยเขาอ่อนแอทำไมเขากินไม่ได้น แต่ก่อนนะอะไรแล้วกินได้แต่ตอนนี้กินไม่ได้ทำไมเขาร้องโอดโอยมีจิตอาสามีคนไข้คนหนึ่งแกนะอายุสักห้าสิบได้นะแกก็ปวดทวารมากแกก็ร้องโอดโอยลูกชายก็นั่งอยู่ข้า ง, างก็ไม่ได้ทำอะไร จิตอาสาสองคนน่ยมาเยี่ยมแนะนำตัวว่าเป็นใครแล้วประโยช์ถัดมาก็พูดว่าคุณลุงคะที่คุณรู้ว่าปวดเนี่ยปวดอย่างไรคะว่าคุณไขชอบมากเลยมันเป็นคำถามที่โดนใจมากคนไข้บอกว่าเนี่ยไม่เคยมีใครถามแบบนี้เลยลูกก็มีแต่บอกว่าให้พ่อเข้มแข็งให้พ่อสู้ส หมอพยาบาลก็ให้แต่ยานะแต่ไม่เคยถามว่าเขารู้สึกอย่างไรคําถามของจิตอาสาเนี่ยมันเป็นคําถามที่เกิดจากความพยายามจะเข้าใจนะแล้วก็ไม่ใช่เป็นความไม่ใช่เป็นคําถามที่เกิดจากความสมเพศด้วยความสมเพศหรือความสงสารคนไข้ก็ไม่ชอบนะเพราะการสงสารหรือสมเพศมันทําให้เขาแย่ลง แต่การที่พยายามเข้าใจเขาเนี่ยว่าทําไมเขาร้องครางทําไมเขากินอะไรไม่ได้เลยนะพอมีคนเข้าใจแล้วเนี่ยนะเขาจะรู้สึกมีกําลังใจขึ้นมานะไม่งั้นเขาจะรู้สึกว่าถูกตําหนิอ่อนแอไม่เข้มแข็งไม่สู้เนี่ยคนไม่เยี่ยมไม่ได้ตั้งใจจะพูดให้รู้สึกแบบนั้นแต่ว่าคําพูดเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกแบบนั้นได้ มีผูป้ป่วยคนหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยแทนที่จะพูดคำว่าสู้เนี่ยพูดคำว่ารักเนี่ยดีกว่าเยอะเลยรักนะคำว่ารักเนี่ยนะมันให้กำลังใจเขาต้องการความรักนะและเนี่ยคือสิ่งที่เพื่อนนะให้กับเขาไดนะ้อีกคำคำประโยชน์อย่างนึงที่คนไข้ไม่ชอบมากคือไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หาย นะคิดว่าหลายคนในที่นี้เนี่ยคงจะเพอ้อพูดประโยคนี้มาเยอะดีเดียวเพราะไม่รู้จะพูดอะไรนะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายต่้งที่คนไายนี่เขาโคม่าแล้วคนไข้ไม่ชอบเพราะอะไรเพราะมันไม่เป็นความจริงมันไม่ใช่คําพูดที่ออกมาจากใจแล้วเป็นคําพูดที่เขาได้ยินมาทุกจากปากของแทบทุกคนเช่นเดียวคําว่าสู้สู้เนี่ยครๆมาเยี่ยมกับสู้ส้นะเข้มแข็งนะทําใจนะ ปล่อยวางนะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาไม้นี่นะมาพูดแบบเนี้ยคือไม่รู้จะพูดอะไรก็พูดแบบเนี้ยรวมทั้งพูดปอดจะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายมันกลายเป็นคําที่กลวงไม่ได้แสดงความจริงใจอันนี้คนไข้ก็พูดเองนะไม่ใช่คนไข้คนเดียวคนไข้หลายคนเนี่ยก็จะพูดนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องรู้เอาไว้นะพวกเราเนี่ยเพราะว่าไม่ว่าเราจะ เป็นหนุนเป็นสา ห, หรือเป็นคนเมีออยยุ้เราก็ต้องรู้จักกับคนที่ป่วยอาจจะเป็นญาติาจะจะเป็นคนใกล้กตัวเดี๋ยวนี้มะเร็งก็ดีนะโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองโรคหัวใจเนี่ยมันเป็นกันเยอะนะพวกเราเนี่ยคงจะมีญาติหรือเพื่อนนะที่ป่วยในโรคแบบเนี้เวลาไปเยี่ยมก็ควรจะรู้ว่าพูดอย่างไรเนี่ยนะบางิางมันถึงจะไม่ไม่ซ้ําเติมคนไข้ หรือพูดย่างไงจะทำให้คนไข้ดีขึ้นนะอย่าพูดโดยไม่คิดอย่าพูดโดยว่าตามตามกันไปนะการพูดเนี่ยถ้าเราพูดด้วยความจริงใจแล้วก็อย่างเพื่อนเนี่ยมันจะช่วยคนไข้ได้มากมีพระเนี่ยนะที่จริงก็คงจะหลายรูปแนละ้วแต่ว่ามีท่านรูปหนึ่งท่านก็จริงใจดีนะ ท่านก็เล่าว่าเนี่ยไปเยี่ยมคนไข้แต่ไม่รู้จะพูดอะไรให้สวดอ่ะสวดได้นะสวดงานศพเนี่ยสวดกุศลานี่ยสวดได้แต่ว่าไปเยี่ยมคนไข้ที่ยังไม่ตายเนี่ยไม่รู้จะพูดอะไรก็ได้แต่นึกถึงการสวดนะซึ่งก็ดีนะแต่บางคนก็อ่าพร้อมเรียจพูดอะไรก็เลยเทศเลยเทศนี่ก็เป็นสิ่งที่คนไข้าบางครั้ง หรือส่วนใหญ่ก็ว่าได้เนี่ยไม่ค่อยอยากจะฟังเท่าไหร่บางทีการเยี่ยมผู้เยี่ยมเนี่ยถ้าฟังคนไข้จะดีดีสั ก, กว่ายเพราะคนไข้เนี่ยหลายคนก็จะบอกว่ามันมีแต่คนพูดนะมีแต่คนสั่งคนไข้นี่บอกเนี่ยเจอแต่คนสั่งหมอก็สั่งพยาบาลก็สั่งแม้แต่พนักงานทําความสาก็ยังสั่งเขาเลยแต่มันน้อยคนที่จะฟังเขา น้อยคนที่จะให้เวลาฟังเขาหมอก็ไม่มีเวลาพยาบาลก็ไม่มีเวลาญาติก็ยังสั่งอีกนะไม่มีเวลาคุยแต่ว่าถ้าเกิดเราไปเยี่ยมแบบวางใจว่าเราเป็นเพื่อนอก็เปิดโอกาสเขาได้พูดให้เคารบายให้เขาได้พูดถึงว่าเขาห่วงอะไรมีความทุกข์เรื่องอะไรจิตอาสาหลายคนเนี่ยไปเนี่ยคนไข้ชอบเพราะจิตอาสาเนี่ยจะไม่สั่ง จิตอาสาก็จะไม่สอนจิตอสาก็จะฟังคนไข้เขาก็ได้ระบายบางทีก็ระบายเรื่องลูกเรื่องครอบครัวเรื่องผัวเรื่องพ่อแม่แค่ระบายเขาก็สบายใจแล้วให้ความสบายใจนี่บางทีมันมันดีกว่ายาที่หมอให้ซะอีกอาการไปเยี่ยมคนไข้ในฐานะที่เป็นนักเรียนไป ไ ป, ไปฟังทำจากเขาหรือว่าไปเรียนรู้ธรรมมาจากเขาถือว่าเขาเป็นครูนะอย่างที่หนึ่งหรือสองถือว่าเขาเป็นเพื่อนนะไปนะพยายามเข้าใจความรู้สึกของเขาไปให้กําลังใจเขาฟังเขาก่อนนะอย่าเพิ่งสอนอย่าเพิ่งเทศนะอันนี้นะจเป็นสิ่งที่ช่วยคนไข้ได้เยอะแล้วมันก็เป็นประโยชน์กับเราด้วยคํานี้ก็เพื่อเท่านี้นะครับครับ